ง่ายง่ายเข้าใจไหมครับหาบริวารได้ง่ายๆ่คือเพื่อประโยชน์ตรงนี้เอ้าครับหาามันชิง่งแต่ไม่ใช่ว่าไอเอพราะเราต้องนึกถึงการบวชสมัยก่อนกับปัจจุบันมันต่างกันไอปัจจุบันนี้เรามาคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันง่ายความจริงแล้วเราทํากันง่ายจนเกินมันไม่เหมือนกับเดิมเดิมเราเราเลยมองมองมองตรงนี้ให้มันเหมือนกับที่นู่นสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้น อันยิ่งแล้วมันมันคนละคนละคนละคนละอย่างกันเลยตรงนี้ไม่ต้องอะไรเพียงแต่อ้าวในสมัยก่อนท่านมีวินัยกําหนดเลยบวชแล้วต้องอยู่กับอุปชาหรืออาจารย์อย่างน้อยที่สุดหาพรรษาไอไออยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่นอนคอยสวดมนต์สวดมนต์จนครบห้าพรรษาแล้วก็ไปได้ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ในอยู่อาศัยคือต้องเรียนด้วยต้องเรียนให้รู้อ่าถ้าบวชอายุมากไม่ไหว ทรงจําอย่างนี้ไม่ไหวเธอเรียนพอพอรู้แนวทางแล้วก็ไปเรียนกรรมฐานไปรับกรรมฐานบางทีเราจะเจอว่ารับกรรมฐานจนถึ ง, ง, งเออไ อ, อ, อ, อกรรมฐานที่จะบ่งบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วถึงพระอรหันต์ได้คือไม่ใช่ไม่เรียนแม้แต่กรรมฐานก็เรียนครับใช่ไหมครับเรียนจนเข้าใจวิธีอะไรๆแล้วก็ไปไปทำํทำทมสงสัยแล้วก็กลับมาถามแล้วก็ไปทําแล้วก็กลับมาอย่างนี้ไปจำพรรษาเอา ตลอดพรรษายังไม่ได้อะไรอ้าวสงสัยอ้าวกลับมามาถามอีกอ้าวแล้วไปอีกอย่างนี้ไอออกพรรษากลมาแล้วก็ติดตามติดตามอุปชาอาจารย์ติดตามพระเจ้าพระเจ้าแสดงไปเรื่อยๆก็ได้ความรู้ไปเลยเพิ่มเมเงินไปอ้าวใกล้เข้าพรรษาก็ขอลาไปเข้ากับเข้าที่ของตัวเองอีกอย่างนี้หมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรียนครับแม้แต่กรรมฐ า, านก็อยู่เรียน <c oughs> เพียงแต่ไม่ได้เรียนเพื่อทรงจำสูตรต่างๆให้ใหใหไวถ่ายทอดให้ลูนหลังไม่ใช่แค่นั้นไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้เท่านั้นเอง ไอ้ อ, องนี้ตั้งใจเรียนที่อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องทรงจําไว้ด้วยต้องทรงจําไว้ด้วยใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้ทรงจาอีกแม้แต่หกสิบพรรษาก็ยังต้องติดตามครูบาอาจารย์อุปชาไปอย่างนี้เองต้องติดตามไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นความแปลกกันของการปมาพฤติเราในปัจจุบันกับในสมัยก่อนมันยังมันยังมองกันคนละอย่างเลยครับ ที่นอกจากมัทธยมัชชมาเอมัชชิมะประเทศแล้วก็เป็นปัจจันทหมดนะครับเป็นปัจจันหมดถ้อย่างนั้นในในเขตที่ท่านวางไว้แล้วเกดปุถหาพระยากก็ยังเป็นปัจจันอยู่เอ๋เป็นเป็นมัชชิมะไม่ได้เกี่ยวกับหาพระยากหาพระง่ายเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับในสมัยนั้นที่นั่นมันเจริญใช่ไหมครับนะเจริญสะดวกสมบูรณ์แล้วพุทธเจ้าก็สาวกทั้งหลายเผยแพร่จนจนอะไรอะ่ะหมายความว่ารากฐานมั่นคงครับรากฐานมั่นคง มีศรัทธาแล้วเข้าใจแล้วจะรออีกต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรเช่ไหมครับแต่ในที่นู่นต้องการอยู่ต้องการอยู่เพราะฉะนั้นที่นู่นควรจะอนุญาตให้น้อยลงเพื่อบวชได้แล้วจะได้ช่วยเป็นเป็นกําลังเป็นลูกศิษย์เป็นช่วยกันทรงจําช่วยกันอะไรแต่อะไรเราต้องกาิการบวชนี้ต้องการทรงมากใช่ไหมครับต้องการตรงมากหมายหมายถึงคือมีมีทรงมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันไม่ไดเกี่ยันคือพอพอครบแล้วก็เราจะรู้นึกนึกอย่างนี่ดีกว่า สมบัติแห่งการบวชให้สมบูรณ์แล้วเป็นนันใช้ได้เกิดมีพระมากๆนั่งหัตถบาตหนึ่งร้อยแต่ส่วนกรรมวาจาผิดมันดีตรงไหนเออดีตรงไหนครับเพราะผู้นั่งก็นั่งหัตถบาตไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นคณะบุรุษกะเท่านั้นเองมีเท่าที่พระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตถ้าบริบูรณเป็นพระบริบูรก็สําเร็จแล้วไม่ได้เกี่ยวกันก็มีบางบางทีเขาก็พูดว่า ถ้าหากว่าสมมติว่าวัดเรานี่ยนะครับมีสักยี่สิบรูปภาพในวัดนี้ต้องลงหมดเลยมั้งืี้ทําไมเพราะถ้าถ่านั้นไม่ได้เพราะว่ายังถือว่าอยู่ในอาวาสอยู่ในเขตวัดเดียวกันอยู่อืถ้าเขานิมนต์เราต้องลงดนอกจากเจ้ามาจากวัดอื่นครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันถ้าเป็นมหาศีมาต้องลงหมดเลยครับเจ้าภาพนิมนต์บ้างเออเจ้าภาพนิมนต์เขาถึงลงหมด เจ้าพระเขาก็ได้ยินอย่างนี้ครับเขาก็เลยนิมนต์หมดก็ดีก็กกทำให้พระหาทินได้ง่ายขึ้นไงครับ <c oughs> ผ ม, มในอะไระการบรรยายวินยัยอนาคาริยาวินยัยในวิธรรมราดูพาอันนั้นของเขาบรรยายดี <Okay. S 2> โยมในเมืองไทยนับถือพระแบบเพื่อต้องการบารุงให้อยู่สุขสบายพระก็เลยอ ถูกถูกบำลุงมาจนเคยชินถึงแม้จะบวชได้ศรัทธากด็ดีไม่บวชได้ศรัทธากด็ดีต่อ ต, อตอไปประมาณ ม, มันเหมือนเลยเหมือนกันหมดเลยมีความ <c oughs> อถือตัวว่าเอ้ยเราไปที่ไหนก็มีคนนับถือบูชาเคารพนับถือสะดวกสบายไปหมดทุกแห่งกันเลยเลยเล ย, เลยมองไม่เลยลืมลืมลืมเหตุผลของการบวชหรือหรืออจุดประสงค์ของการบวชที่ตัวตัเองประสงค์เอาไว้อะไรอย่างนี้ของพระอะไรตายไปแล้วปาสาทที่โก คือวัดราชปอพิษรำมยุทธบรรยายไว้ดีมากเลถ้าไปเจอเล่มสองเล่มสามก็ดีผมเก็บมาหนึ่งเล่มเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มอะไรไม่เจอถ้าเจอก็จะดีอ่านดีครับไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกจากบาลีอัตถฐานเลยยิงอาศัยพวกนี้แล้วบรรยายออกมาทั้งหมดดีครับถูกต้องถูกต้องดีมากเล่มเมื่อคืนผมถืออะเล่มเล็กๆงั้ น, นบรรยายทำแบบไอ้บรรยายวินัย บรรยายอนาคาริยาวินัยครับบรรยายอนาคารรยาดีครับเล่มนั้นถ้าถ้ามีเล่มสองเล่มสามผมว่าจะดีไม่เขาคงบรรยายจนจบแต่ไม่รู้ตายก่อนจบหรือจบก่อนตายก็ไมเนูะแต่ตายแล้วครับทำไมชานไอ้นี่หัวเราะไม่บรรยายดีชื่อปาสายทิโกพิกขุครับปาสายทิกาพิคุ ไม่ไม่ได้บอกชื่อจริงๆว่าชื่ออะไรแต่เวลาจะขออนุญาตพิมพ์เห็นคนขออนุญาตต้องไปขอกับสังฆราชในในหนังสือนั้นขอกับสังฆราชองค์กร น, นะอะไรวาชนะเทละวะสังฆราชองค์กรผมเคยได้ยินมาว่าสังฆราชองค์กรอายุมากเข้าตัวเองไม่เคยมีผลงานอะไรมามาปรานถนาจะสังขยาณาพระสงฆ์เสนอให้ ให้อันที่พิธีกรการศสนาเสนอขึ้นสู่มหาเถรอันที่พิีไม่เสนอสองครั้งเลยปลดออกไปสองคนวันธีสามเลยสังฆราชตายก่อนแล้วก็เลยเอาทุนมาทําสังฆนานาพระเจ้าปิฎกชุดที่แล้วความดํำริเด <ược> ิมเขาอยากจะสังฆนานาพระสงฆ์คือเปิด <mas k> อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะชำระกันเลย ชำระพระสงฆ์เลยใครไม่ไดีจับศึกอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอย่างนี้เลยทำกันเลยเอากันจริงๆย่างๆเพื่อต้องการให้พระสงฆ์มีคุณภาพขึ้นถึงมีจำนวนน้อยก็อันนั้นไม่ถือว่าเป็นประมาณถ้ามีคุณภาพมีอะไรดีก็เป็นที่เป็นผู้สามารถรักษาศาสนาได้องค์ไหนไม่มีความรู้อยู่เฉยๆเป็นหลงตาก็ดีเป็นพระหนมไ ม, ไม่ไม่ศึกษาไม่เราเรียนาม่จดเตือนสามแล้วขอเชิญศึกหมดเลย คครเขาเขาฟีวิตีกันอย่างนี้แต่ไม่ผ่านครับไม่ไม่ได้เสนอขึ้นมหาเถร์ตายก่อนท่านลงนหลงเพราไอ้สังฆราชองนั้นท่านไม่มีผลงานเลยเพราะท่านประโยคศีใช่ไหมเกี่ยวกับปริยัติท่านก็ไม่เคยมีบทบาทเกี่ยวกับปฏิบัติท่านก็ไม่มีแต่ท่านมีบทบาทเกี่ยวกับการสะสมเครื่องลายคามแจกิญพระพุทธรูปอะไรต้มหมูปูจาอะไรอย่างนี้ท่านชอบไปทั้งนั้นมาตอนแก่ก็เลยคงคงคิดอยากจะทําผลงานสักอย่าง ก็เลยตายก่อนนี่ทําไม่ทันอเออผมจดผมว่าผมหาอะไรนะ<ม>อ๋องงั้นไม่เอานะครับเพรยังสงสัยข้อที่ว่าอนูสัมบัญไปอยู่ในหัตถบัตถทําไมไม่เสียเเผมยวสงสัยเสียงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกทีก็ได้เพราะว่าแต่ถ้าถ้าภิกษุปราชิกปริญาไม่เสียนะครับไม่เสียครับแต่ถ้าโยมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกที เพราะคนละภาวะกันเลยโยมกับภิกษุผู้ต้องบรรชิกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีแต่ถ้าภิกษุผู้ต้องบราชิกและปริญาตนอยู่ว่าเป็นพระนะครับไม่เสียนะครับถ้าเป็นองค์องค์สุดท้ายเป็นองค์จํานวนเต็มก็ครบห้าก็เสีย ถ้าองค์อื่นครบแล้วองคนั้นเป็นองค์เกินอย่างนี้ไม่เสียนะครับไม่เสียอันนี้แน่นอนจำได้อ่ากีถึงผมถึงไหนล่ะผมถึงไหน <S <S อ่ะอ๋อผ่านไปแล้วนะครับอ่าอ่าถึงการบอกบอกอะไรแล้วหมดแล้วอ่าทีนี้ ทีนี้คําว่าอนนาวาะนะครับอนนาวาะหมายถึงอะไรภิกษุผู้ประพฤติวัดไม่ควรไปไปจากอาวาวที่มีภิกษุไปสู่อนนาวาะใช่ไหมครับไปสู่อนนาวาะที่ไม่มีภิกษุอนาวะคืออะไรครับอนนาวาะโสนามะอนนาวะคือเจติยขะขรังเรือนเรือนเจดีย์คือคือข้างล่างเจดีย์มีเรือนอยู่โพธิครังเรือนโพสมุนชนิด อัตะโตอัตะโกนะครับลงเก็บไม้กวาดนะครับทารุอัตะโกลงเก็บไม้ปานิยะมา โ, โลโรงน้ําดื่มตลาดน้ําดื่มตลาดมีหลังคาแล้วไปมีที่ดื่มน้ํามีหลังคามีลงน้ําสําหรับคนเดินไปเดินมาใครใครอยากดื่มน้ําก็ดื่มน้าแต่เป็นโรงเลยนะครับนี่นี่เวชจักรเวชจะกุ ด, จจกดีนะครับแล้วก็ซุ้มประตูแบบบางที ซุ้มประตูเมืองประตูเมืองเป็นซุ้มเป็นศาลาอย่างบางครั้งซุ้มประต like ูวัดมัเป็นศ right าลาเลยเป็นศาลาเข้าเข้าคนนอนได้กันเลยนะครับซุ้มประตูเป็นต้นเหล่านี้ไม่ชื่อว่าอาวาสนะครับอย่างนี้ไม่ชื่อว่าอาวาสเรือนเจดีย์เรือนโพเรือนอะไรก็แล้วแต่เพราะเราเราเราถ้าเรานึกถึงสถาบันจริงไอ้ต้นโพบางทีบางทีเขาไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ในวัดอยู่นอกวัดแต่เขาไปไปปลูกอเรือนไว้ นะครับจนมากคนสมัยก่อนก็ยังนับถือต้นโพกันมากมากกว่าปัจจุบันนะครับนับถือต้นโพอย่างนี้ไม่ชื่อว่าอาวาดนะครับคือไอ้อย่างนี้ที่ชื่ออาวาดหมายถึงเขาสร้างไว้สำหรับอยู่จึงชื่อว่าอาวาดที่ที่เขาสร้างไม่ใช่ไว้ให้สำหรับอยู่ไม่ชื่อว่าอาวาดนะครับไม่ชื่ออาวาอาวาสแต่ไม่ชื่อว่าอาวาสแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับที่สอะไร ไปจากอาวาสที่ไม่มีภิกษุไปสู่อนาวาสที่มีภิกษุนะอย่างนี้ได้แต่ไปกับปกตตะนะครับไปกัไปได้สู่ที่ไม่ใช่อาวาสสมมุติภิกษุอยู่นี่เรือนเจดีกันอยู่ที่เรือนโพกันนะอยู่ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็อันที่ไหนก็เป็นที่หลบฝนหลบแดดอะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้ท่านอยู่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้แต่เขาไม่ได้สร้างขึ้นมาสําหรับอยู่จึงไม่ได้เรียกว่าอาวาสนะครับจึงไม่ได้เรียกว่าอาวาสส่วมอย่างนี้บางทีอยู่ได้ แต่เขาไม่ได้สร้างขึ้นมาสําหรับอยู่จึงเรียกว่าอน า, าวาสนะครับเป็นที่พักชั่วคราวอย่างนี้นใช่ไหมครับครับสาลาแล้วกันเอาศาลาที่ที่เขาไม่ได้สร้างขึ้นมาให้สําหรับพระอยู่ประจําแต่พระไปอยู่ได้ไหมได้สันเจ้าเ อ, อ่สันเจ้าก็าได้เทวาลัยสมัยก่อนเรื่องเทวาลัยนะครับสมัยนี้เราต้องเรียกสันเจ้าบางอะไรอย่างเงี้ยครับพระไปอยู่ได้ไหมได้ครับอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เรียกว่าอาวาสไหมไม่เรียกครับ เพราะเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาสำหรับอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้อยู่อยู่ได้นะครับอยู่ได้แต่ไม่เรียกว่าอาวัตสร้างขึ้นมาสำหรับมาไม่ให้อยู่ในที่นี้เนี่ยคำว่าอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าอยู่จำพรรษาครับไม่ใช่แค่อยู่จำพรรษาอยู่ประจำอยู่ประจำครับอยู่ประจาอยู่ประจาเลยเขาสร้างขึ้นมาวงคที่ขึ้นมาสำหรับให้พระ สงสมเนรอะไรอยู่เลยครับอยู่ใช่ไหมคระอยู่ยจะจาพรรษาไม่จำพรรษานอกพรรษาในพรรษาอยู่แล้วกันอยู่คือสร้างขึ้นมาให้เป็นที่อยู่แต่พวกเรือนเจดีเรือนโพที่ลงเก็บไม้กว่าลงเก็บไม้อะไรยิงๆไม่ได้สร้างให้อยู่แต่ถามอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ไม่ได้สร้างสําหรับให้อยู่ไม่ได้ประสงค์ให้อยู่แต่พระไปอยู่ได้ครับอยู่ได้สัรเจ้าครับเขาไม่ได้สร้างให้เราอยู่แต่เราไปอยู่ได้ไ้มทำไมมีคนอยู่อยู่ได้ครับอยู่ได้ ไ้พักไปอยู่ไปอาศัยไปปฏิบัติไปอะไรได้ครับอยู่ได้แต่ไม่เรียกว่าอาวาสในที่นั้นไม่เรียกในที่นี้นะครับอาณาวาสในที่นี้หมายถึงที่ประเภทนี้ครับอาณาวาสในที่นี้หมายถึงที่ประเภทเนี้ยเรือนเจดีเรือนโพโล่งเก็บไม้กว่าโลงเก็บไมกก้ศาล า, า, าน้ําดื่มซุวมไอ้ซุ้มประตูเมืองซุ้มประตูไอ้ของบ้านเศรษฐีอะไรอย่างนี้ครับบางนี้ซุ้มประตูเป็นเป็นศาลาเลยใช่ไหมครับ ซุมประตูเมืองซุ้มประตูเศรษฐีซุมประตูใหญ่ๆพักได้เลยหมายความว่าพักได้แต่เขาไม่ได้สร้างมาสำหรับให้เราอยู่นะครับจึงชื่อว่าอาณาวาดในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านเจออนณาวาตเอไม่ใช่วัดตรงไหนดีวะอะไรอย่างนี้นะว่าไงสงสัยถามหน่อยคือมีโยมเขาปลูก บ้านไว้สําหรับให้พระอยู่นะครับสําหรับพระอยู่อืนะครับบางทีก็มีพระจอนมาก็มาอยู่ที่นั่นแล้วก็จําพรรษาบ้างบางทีก็มาสนทนาธรรมบ้างครับสำหรับพระโดยตรงในที่นั้นเนี่ยแต่อยู่ในบ้านอยู่อย่างนี้จะชื่อว่าเป็นอาาวัชไหมครับอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอาวาชครับนั่นเพราะสร้างขึ้นมาสําหรับอยู่ในที่นี้เขาจะบอกบอกตรงกันข้ามเลยไม่ไม่ใช่ว่าต้องขออนุญาต่างวาัดมันไม่ได้เกี่ยวกับสมัยนี้ สร้างขึ้นมาสําหรับเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แล้วเราก็อันนั้นอาวาสครับที่ที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาสําหรับให้พระสงฆ์อยู่เป็นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันนั้นเรียกว่าอนนาว่าครับแยกกันแค่นี้พอครับแยกกันแค่นี้พออยู่ไม่ได้นอนไม่ได้อ่าใช่ตั้งออกไปข้างนอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประกตศตาอย่างเดียวแม้เปริว่าเดือกันก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ในในในใ น, ในการนอน อ่าใช่ใช่คนหนึ่งนอนคนหนึง่งนั่งคนหนึ่งนอนคนหนึ่งเดิ น, น person, ถ้ามันมีที่บังคับอย่างนั้นต้องก็ต้องผ่านกันต้องผ่านกันคือนอนร่วมกันไม่ได้ออยู่ในที่นี้เอาการนอนเท่านั้นนะครับเอาการนอนเท่านั้นครับคำว่าอยู่ร่วมในที่นี้หมายถึงกิริยาการนอนอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงนั่งเดินยืนไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอิจการบทอื่นหมายถึงอิจกรรม อีแรงบทอื่นไม่ชื่อว่าอยู่ในที่นี้คําว่าอยู่ในที่นี้ประสงค์การนอนอย่างเดียวครับคําว่าอยู่ใครใครจะเปลี่ยนคําของพระเจ้าเดียท่านยแต่แตผมไม่เปลี่ยน เ, อ, เอาเปล่าไม่ใช่อาสมมุติเราพระเจ้าพูดว่าเธอเราฮะพวกพิกจู ผู้ปฏิพฤติไม่ควรอยู่ร่วมกับปกตศตระพิกษุหรือแม้แต่ปริวาสิกะพิสูจด้วยกันพระเจ้าพูดแค่ น, นี้ท่านคิดเลยไม่ว่าจะไม่มีพระถามฮะเพราะฉะนั้นจึงมีคําที่ท่านอธิบายต่อมาไม่ใช่ว่าคําอธิบายต่อมาของอารย์ถา่นั่นคนอื่นเขียนขึ้นมาไม่ใช่งั้นเมื่อมีพระถามพระเจ้าบอกอยู่ในที่นี้เราประสม จะมีเลยอยู่ในที่นี้เราประสงค์อิทิยาบทเดียวคือนอนแค่นั้นเองแล้วความจริงบางทีไม่ต้องถามไอ้อครั้งแรกยังไม่มีใครถามพอห้ามแค่นี้แล้ ว, ลวพระก็ไปอยู่กันพระก็ลังเกียดไม่อยู่กันไม่อยู่เลยลําบากพระก็ไปบอกพระเจ้าพระเจ้าที่เราบอกว่าอยู่หมายถึงอย่านอนพร้อมกันอย่านอนร่วมกันไม่ใช่นนอนพร้อมอย่านอนร่วมกันในที่เดียวกันหมายอิทธิยาบทเดียวอิทธิยาบทเดียว แล้วแล้วใครเปลี่ยนดีทีนี้ท่านนะอาตกลงท่านเปลี่ยนท่านไปประกาศเลยเรา่ผมไม่เปลี่ยนเพราะทุกวันนี้เขาเปลี่ยนกันเยอะครับอ่นั่นนะครับขนาดเดินผ่านเข้ามาชายคาพระจันทร์กรรมนี่ไม่ได้ อ, อ๋ อ, อถ้าถ้า ถ, ถ้าเปลี่ยนอย่างนี้เขาเขากติกาเขาเขาเปลี่ยนเพราะอะไรอเพื่อป้องกันการอยู่แต่แต่ถ้ากติกาแล้วทําให้คนเข้าใจผิดก็ไม่ดีอีกครับมไม่เข้าใจ ถ้าแต่จะบอกอย่างนั้นควรจะบอกของเดิมไว้ก่อนว่าในที่นี้หมายเอาอะไรนะครับหมายเอาอะไรควรจะบอกของจริงๆเสก่อนว่าผู้เจ้าหมายเอาอะไรก่อนแล้วจะไปตัง้งอธิกาแต่ถ้าเราไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่เข้ามาร่วมกันเลยทั้งหมดก็จะดีนะอะไรเอออย่างนี้ยังแต่ถ้าไปบอกเอออย่าเข้ามาเสียนะอ่ะอย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่าบัญญัติทัพผู้เจ้าไปอีกคือร้านบริวารของเขานี่จะไม่มีลังคาหมงเลยเพราะว่าเวลาสมาทานแล้วมันจะอยู่ครับ คือมาเดียวกันกับประดังกรรมอะไรเงี้ยเพราะจริงอย่างนี้แหละมันมันมันไม่ดีอย่างพระเราสมัยนี้บางทีชอบทําตัวเป็นเป็นพระพุทธเจ้าซะเองอะครับคือชอบบัญญัติอะไรอะไรซะเองตามใจของเราเองนี่บางทีมันมันเหมือนกับเราไม่ได้นับถือพุทธเจ้าก็นับถือครับแต่ไม่ใช่นับถือมันได้ยินมาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ถ้านับถือไหมเรารู้อย่างนี้เรารู้อ่าเราต้องรู้ก่อนว่าพุทธเจ้าพูดยังไงประสงค์ไงมีมีอธิบายยังไงอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ ถึงเราจะบอกคนอื่นอย่างนั้นแต่เราต้องบอกของเดิมไว้ก่อนเราต้องบอกเธอก่อนเพราะว่านี่นะพระเจ้าประสงค์เอาเพียงอีเดียวบทเดียวคือนอนนะที่อยู่ร่วมในที่นี้แต่เธอจะไม่เข้ามานั่งร่วมก็มไม่ว่าอะไรเธอจะไม่เธอรังเกียจการนั่งร่วมเธอรังเกียจการยินก็ไม่ว่าอะไรเธอไม่เข้ามายุ่งกับเราไม่เป็นไรอย่างนี้อย่างนี้ก็น่าจะพูดอย่างนี้นไม่อย่างนั้นครับขนาดเดินผ่านชาคาเดียวกันนี่ไม่เห็นน้ำราตีเลยครับเออเนี่ยครับมัน ผมว่ามันเลยปัญญามันเลยร่ำลึกกว่าคนเจ้าไปหน่อยเข้าได้คือห้ามร่วมกันเลยทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนหานทั้งหมดทั้งสี่ดิบดบทหมาย่าแม้แต่ห้องท่วมผมไปเจอนี่ห้องท่วมนี่เจอเลยเออห้ามนี่ท่วมนี้ของประกาศตาท่วมนู้นของพระดุ ก, กรรมผมเคยถามครับทําไมเวลาขี้ต้องนอนด้วยเหรอเขาตอบ เกิดเอาหลังไปพิงคายมันจะไปนั่งที่หลับในในห้องโอ้ยลาบากจะตายแล้วไม่ใช่ท่วมดีใช่ไหมครับโอ้เหม็นก็เหม็นทํารูเฉยๆแล้วไอ้ที่ไม้มาผ่ัดๆโอ้ใครจะไปนั่งหลับเพราะนั้นทรมารทั้งความจริงมันเหมือนกันทั้งอาจารย์กรรมทั้งลูกกรรมมันช่วมเหมือนๆกันเลยแต่ต้องคนละอันผมแบกไม่ให้คณะขี้ร่วมเลยเลยเขาเปิดหลังคาครับอ่าเขาเปิดหลังคาด้วยถ้าจะให้ใช้ร่วมจ้องๆก็ไม้แต่ลูกกรรมด้วยกันเขาก็เปิดหลังคาครับอ่ามีหลังคาไม่ได้เหมือนกัน ไปลือ้อช่วงเก่าเขาเลยแหละเอาหลังคาออกพออยู่ไปเลยว่าจบแล้วค่อยไปมุงกลับพืนแสดงว่าถ้าจะเข้าไปว่าทีต้องทํำลายต้องังำลายครับต้องทำลา ย, ลา ย, ลายนี่พวกนี้โอ้พวกนี้ประหลาดมากที่อยู่คืออ๋เอเอาเอาอะไรที่อยู่อะไรเดี๋ยวยังไม่ถึงฮะย่างย่างยังไม่ถึงเนี่ยยังเพิ่งของเร็วเ น, นี่ยเพราะว่านอนร่วมกันนั้นเป็นถ้าเกิดนั่งหลับตรงนั้นที่ว่านั่งหลับ ไม่เสียครับไม่เสียคือเอากิริยานอนเอาเอากิริยานอนครับแล้วตัวอย่างทั้งหมดในบาลีไม่ใช่ตัวอย่างอยู่ในเอกสาไม่ใช่อย่างนั้นครับตัวอย่างในบาลีองค์นี้นอนก่อนองโน่นนอนหลังองค์นี้นอนหลังองค์นี้นอนก่อนนอนพร้อมกันอะไรจะมีทุกอย่างเลยคือทํำมาแล้วทั้งหมดครับทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีเลยไม่มีเลยที่นั่งพร้อมกันนั่งคนละครั้งอะไรอย่างนี้ไม่มีครับเพราะมันไม่ต้องมันไม่เสียมันไม่เสียละดีมันไม่ไม่เสีย ถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้นะที่แม้กระทั่งเดินเข้าชายคานี้นะถ้าจะมองไปอีกแง่หนึ่งว่าเกิดสมมุติว่ า, าภิกษุปริวัติการนั้นนะครับกาลังประพฤติวัดอยู่ในขณะเดียวกันมีอุปชาอาจารย์ตัวเองแก่ๆอยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปอุปถัมภ์ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมชี้เห็นง่ายกว่านี้อีกครับสมมติท่านอนุ ญ, ญาตปฏิวัติก า, ภ, กาภิกษุต้องนั่งท้ายแถวในในโรงฉันในพัตพัพตะเคในโรงฉัน โรงฉันเราได้ยินว่าโรงฉันมันมีหลังคาไหมครับอ่ามันต้องมีครับในบ้านมีไหมครับในที่นิมนต์นี่ครับในศาลาสีมุกมีอีกครับมีหลังไคต้องนั่งอยู่หัตถบานสุดท้ายาแสดงว่าวัดเสียแล้วตอนนั้นไม่ใช่อ้าวเพราะถ้าลาตีเสียไหมไม่ถ้ า, ถ, าถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต้องเสี ย, ยอะถ้าหมายว่าแหวบกรรมาทีพชายคาก็ไม่ได้อันนี้ก็เสียถ้าเกิดบอกว่าท่านเก็บวัด ถ้าเกวัตจะเรียกว่าปริวาสิกาพิษุทําไมนั่งอาสนะสุดท้ายใช่ไหมครับจะเรียกทำไมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปประกตาตาเป็นปริวาสิกาพิกษุแต่อนุญาตให้นั่งอาสนะนสุดท้ายแสดงว่านั่งร่วมก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเกวัตแล้วเขาก็ยังถือว่าแล้วก็เอาอนุญาตอุโบสถเดียวกันด้วยไม่พึงห้ามนั่งอาสนะสุดท้ายได้ ในโรงอุโบสถด้วยไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าในสีมาไม่ได้บอกในโรงอุโบสถนะครับมีทั้งคามีที่ม IN ุงมีที่บังแค่ตรงนี้ทําไมไม่ไม่ไม่ไปคิดตรงนี้มาเทียบกันเมื่อเขาพูดใช่ไหมครับสมมุติว่าสมมุติว่าเราฟังเขาพูดมานะเราก็จับข้อความเหล่านี้อาผู้เจ้าอนุญาตเหล่านี้เหล่านี้ไว้เยอะเลยอนุญาตเอาโบสถ์เอาอนุญาตภารณาอนุญาตการบอกคืนพัดอนุญาตการรับพัดอนุาตการนั่งในโรงพัดอนุญาตการนั่งในที่นิมนต์ เป็นอาสนะสุดท้ายแสดงว่านี่วัดเสียไปแล้วไอ้ลาตีเสียไปแล้วนับไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเลยแล้วพระเจ้าจะอนุญาตทําไมเขาไม่ได้บอกหรือมาก็แนะนาอ้าวยังไงอย่าให้ขาดราตีนะ่าให้เป็นลาตีเฉกมาให้มายุ่งเกี่ยวกันไม่ไม่ใช่สมมติว่าเราเราได้ฟังไหมเราส่วนมากไอ้ไอ้ที่ผมพูดนั้นมันเป็นบาลีไม่ใช่อาราถาแล้วถ้าเราได้เคยได้อ่าน ม, ามั่งเราเราจะเอามาเทียบกันได้ เมื่อเขาพูดอย่างนั้นมันเป็นธรรมป็นวินยัยไหมมันขัดกับที่ที่ในในพระไตรปิฎกไหมหมายความว่าเราจะได้ซักถามต่อไปได้หมายถึงอย่างนี้นั่ น, นดูส่วนมากก็ไม่ค่อยศึกษากันนะครับก็ไปฟังอย่างเดียวนะครับไปฟังปฏิวัติที่นนที่นี่แต่ไม่ศึกษากันตอนที่ผ ม, ผมคําถามดูนะคไม่เคยศึกษากันทีนี้พอเจอบางรูปที่ท่านเอาตามวินัยจริงๆออกมาแล้วทีนี้ก็ขัดนะครับ ไ ม, ไม่ไม่ใช่แค่นั้นครับบางทีบางแห่งผมเจอเลยท่านคุยเลยพระไตรปิฎกผมอ่านแหลกเหลวหมดแล้วไม่มีตรงไหนที่ผมไม่เขียนครับแต่ก็อย่างนี้เมือนงานผ่านชายาววคาแวบไม่ได้อีกเหมือนไงครับท่านอ้างเลยอ้างพระไตรปิฎกเลยครูหน้าดูเลยนะฮะเยอะเลยท่านกุ๊กท่านกุ๊กท่านเรียนแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ท่านชอบอยู่ปริวาสเหมือนกันหากุ๊กแต่มันมีความแข่งใจอยู่อะ่ะ เอาพวกมหานิมิตพวกคนนน้นคนนี้เพื่อนๆก็บอกไอ้อย่างนี้ไม่เสียอย่างนี้ไม่เสี ย, ย, สยแต่ตัวเองไปประสบมามันเสียแต่ก็ยังไม่รู้จริงๆอะครับคือยังไม่ได้อ่านจริงๆแต่พอมาเรียนแล้วเป็นค้นคว้าพอเรียนบาลีได้แล้วก็ไป็นค้นคว้าที่โนนที่นี่ได้ใช่ไะไปเจอจริงๆที่นี้ออกล่าเลยครับ อ, ออกล่าบริวัติออกไปแล้วก็พอเข้าเปิดโอกาสให้ถามเขาเก็บวัดใช่ไหมครับอยู่เก็บวัดดันยินเขาก็บรรยายแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามมายกมือถามถามไร่จากะณะจากอำเภอครับ ลงไปเลยหนึ่งองเอาเอามาหาขึ้นไมองค์ไล่กันโต๊ะก็ทำาดไปเลยครับไล่กันตต๊ะทำาดไปเลยพวกจะตีเอาต้องออกก่อนครับต้องออกก่อนพออภาน้อต้องอภานองค์แรกเลยครับแล้วออกเลยพวกกะดักตีเลยครับไปไปถามอุปชาอาจารย์เขาซะจนเสียเสียหน้าครับถามเกินไปถามเกินแกเห็นเ้าบอกว่าอย่างนี้ลุกสิอุปชาท่านก็ไม่ว่าแล้วแต่ท่านก็กดธน้อยๆคือ คนในฐานะนะผู้ใหญ่ท่านก็เก็บเก็บไว้ใช่ไหมครับแต่ลูกติดไม่ยอมจะตีเอากูบอกว่านางควรจะเลิกไล่ท่านแล้วไปเขาอยากจะออกไปไล่าอย่างนี้เพื่อถามอย่างเดียวครับที่ไหนจัดเสียเสียนี่จะไปเลยจะไปเพื่อถามอย่างเดียวครับแล้วกุกมันปากกันไกลเฮ้ยคนปากกันไกลถามแบบเจ็ดแสนทั้งหมดเลยแบบคล้ายๆพายที่เดียวถามเท่านู่นเท่านี้ดักเท่านถามหลองๆให้เขามาตกหลุมครับถ า, ถามนน่นถามนี่แล้วก็ถามดักออกเฉย แล้วแกไปลงที่ไหนไม่เคยบอกว่าเป็นมหาใช่ไหมชื่ออะไรวะชื่ออะไรันชื่อประหลาดประหลาดเลยใช่ไม่ไม่ลงเป็นมหาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นมหาแต่แกระทักชิมหายไว้วอดเลยโอ้ไปมาสองงานไปปาจีนไปอพนมสารคาไปที่เกชอบไปดักไอ้ที่เขาใหญ่ๆเพรทะท้องคนหน่อยโคราดสองปีปียึ่นหักมาสามแห่งแล้วอ่สะใจสะใจ แกบอกแกถ้าเราไปจัดนะเราแก้ไม่ได้เราต้องไปหาดักเอาอย่างนี้ครับดักเอาเลิกกันไปเป็นแห่งๆเลยถามให้เลิกจัดเป็นแห่งๆไปเลยถามให้เลิกจัดเป็นแห่งๆไม่กล้าเลยครับแบบเอาแบบสะดุ้งเลยเอาแบบให้สะดุ้งไปเลยดีผมว่าก็ดีเหมือนกั น, กนไปถามแต่แกอาศัยมีพวกคือเวลาไปอยู่ก็ไปเก็บบ้าแล้วก็ไปคุยพวกมหาด้วยกันไว้ เขียวไปถามองนู้นองนี้องนี้องนั้นเขาตอบไม่ได้แล้วก็คุยแค่กับวังเขาก็ชอบใจเอาหนังสือไปได้ไปหาเปิดดูนี่นี่น น, น, น, นี่ก็เลยได้พวกได้สว่างขั้วพว ก, พ, ว ก, กพอเป็นกําลังแวดล้อมกดไว้หน่อยถึงไหนแล้วครับอ่าทีนี้ไม่พึ่งอยู่กับไอ้ออ น, านานาสังวันะครับบางทีน า, นานาสังวัตมีอุคิดกาบพิสูจนอุคิดกับคือยกวัดถุสงฆ์ไม่ไม่เห็นอาบัตก็ถูกสงฆ์สวดประกราศยกวัดไม่เห็นอาบัต คือต้องอบัตแล้วแล้วอย่างพระฉันะาบางทีต้องอบัตแล้วพอพระไปบอกก็ไม่ยอมครับเฮ้ยอย่างนี้ไม่เป็นอบัตคือคือไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับว่านี่เป็นอาบัตอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นอบัตอีกอย่างหนึ่งต้องอบัตถ้าเคยชินเลยพอพระไปบอกก็ครับครับครับแต่ไม่แสดงคืนยอมรับอยูว่าอยู่ว่าเป็นอาบัตแต่ไม่แสดงคืนครับไม่ยอมแสดงบังคับไงบอกไงก็ไม่แสดงคืนอย่างนี้สองสวดยกวัดก็ได้เป็นอุกิจกรรเหมือนกันอีกอย่างหนึ่ง มีทิฏฐิรามกอที่ฐีรามกนี่อย่างเนินชานดีไหมฮะทิฏฐิรามกนี่อย่างพาระอลิธะตัวอย่างถ้าเราลองเอามาเทียบสมัยนี้ลองดูนะพระอริธาบอกว่าแกจะมีความเห็นอย่างนี้โ อ, อ้แกคิดได้ละเอียดว่าในินานเยอะนะพระท่านพิจิตควรจะเป็นลุงจิตอย่างนี้ท่านท่านบอกว่า พระพุทธเจ้านี่อนุญาตให้เราเนี่ยพิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัยสี่ใช่ไหมครับพุทธเจ้าอนุญาตอะไรก็แล้วแต่ที่เราพิจารณาแล้วใช้สอยจะเป็นโพชนะห้าเป็นจีวรมินว่าเสนาสนะเป็นกีฬานภเัตพิจารณาแล้วใช้สอยไม่มีโทษเพราะฉะนั้นกรรมคุณลนี่เมตุนธรรมเออไม่ใช่กรรมมงคลเมตุนธรรมนี่เออกรมมงคลเลยแกใช้กามคุณลแกยกเมถุนธรร ม, เ, ม, มนนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักใหญ่ ตามมาคุณคือเมถุนธรรมนี่พระพิจารณาแล้วก็เสพได้ <c oughs> คือปั จ, จเวิขณะเช่นก่อนเสพในขณะเสพก็ปั จ, จเวิขณะไปด้วยไม่มีไม่มีโทษเนี่ยอ้าแกก็ไปเที่ยวหาสมัครพขัพ้วพระนุ่มก็ตามหอม่อพระนุ่มทำใ น, น้อยตามหอม้อมร้องเอ้ยในนั้นมีพิสิทธิ์อยู่ด้วยตามแวดล้อมไปพระก็ไปบอกเธอมีความเห็นอย่างนี้ผิดนะไม่ถูกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องตามคําของพระเจ้านะพระเจ้าไม่แสดงอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างที่นท่านลองคิดดูเียก็อนุญาตให้พิจารณาทุกอย่างแล้วไม่มีโทษเพราะฉะนั้นการมาคุณเมื่อเราพิจารณาแล้วเสพก็ไม่มีโทษเหมือนกันนะครับไม่มีโทษแก่มีความเห็นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิอันลามกครับ <S <S มีมากมีมากพิสิทธิเคยมีอย่งนี้ความคิดนี้เคย ว, วูบวูบวบๆขึ้นมาบยางนั้นะมีบางครั้งบางคราวอ่ะนะอย่างนี้ครับอ่ได้ถามพิสุบแกสร้างเกี่ยวกับเพื่อทิฏฐิลามกนี่เยอะแยะเลยครับองค์นี้ชานาญเรื่องนี้ครับ เก่งเ่งเรื่องนี้ถ้าไม่มีองค์นี้ถ้าเราไม่มีตัวอย่างลําบากมากคิดยากมากนะเมนุสจะคิดแบบไหนนี่จะดีครับแหวแหวกแนวยิ่งแบบแบบแบบอุทายีเขาก็เกี่ยวเกี่ยวกับพวกผู้หญิงเอเขาก็คิดหาวิธีทั้งหมดทําให้เป็นตัวอย่างของพวกเราถ้าเราไม่มีอุทายีเราลําบากเหมือนกันเมนุสจะหาอธิบายตรงไหนมาอธิบายนี่เราไม่ทิษีลามกนะถ้าไม่มีรัฐอริถาพิสูจน์นี่เราลําบากอย่างนี้